Thank you. ผมได้มีโอกาสฟังหลวงพ่อหลวงพ่อได้ยินผมพูดไหมครับได้ยินไหมครับว่าช่วงที่หลวงพ่อให้ยาเนี่ยนะฮะเวทนาของกายมันกล้ามากใช่ไหมครับสติสัมปชัญญะเนี่ยเขาได้ทําหน้าที่อย่างไรฮขณะที่ธาตุสี่หลวงพ่อก็แปรปรวนมากถึงขั้นจะแตกสลายใช่ไหมหลวงพ่อร็จแล้วตรงนั้นเนี่ย หลวงพ่อรู้สึกระลึกอย่างไรต่อธาตุดินน้ำไฟลมที่กําลังแปรปรวนจติตมันจะประคองตัวอย่างไรหลวงพ่อกับอารมณ์ไหนที่ที่ที่หลวงพ่อพูดเสมอว่ามันเหนือสุขเหนือทุกข์หรือมันมันมันมันอาศัยอารมณ์วิปัสสนากรรมฐานตาบอบใบที่หลวงพ่อกับหลวงพ่อเทียนเคยบอกพวกเราไว้หรือหลวงพ่อทวนให้เรารับรู้ได้ไหมว่า เทคนิคที่หลวงพ่อทําเขียนที่หลวงพ่อเทียนบอกเราตั้งแต่การปฏิบัติเจินสติความรู้สึกตัวตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางในที่สุดที่หลวงพ่อหลวงพ่ออาจจะทวนกลับไปกลับมาให้เปเราฟังเหมือนไหมครับแล้วก็แล้วแต่หลวงพ่อจะปโปรดในเรื่องอื่นด้วยครับที่มนทร์ครับผมคือใช่ใชนะ่คร <c oughs> ับผมเสี <c oughs> ยงไม่ค่อยดีนะเสียงไม่เนขะ้าล่อนงะ แต่อยากแกพูดเพราะว่าาในสงของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเกิดดอกเกิดผลบางอย่างเราไม่ต้องสร้างใช่ไปได้เลยงั้นคนมีเงินไม่ทองไปหาเงินทำไมามเพินกันแล้วใช่แล้วก็สำเร็จทันที อารมณ์ของกรรมฐานที่เราได้ฝึกงานนะทุกอย่างเทียบท่าให้เราหมดเลยขาะที่อยู่ในห้อง ICU ไอซียประสบการณ์เยอะแยะเงอย่างไม่ค่อยได้เล่าได้เรียนเลยมาเองมาช่วยเอง นายช่วยเราเองอย่างเรีนส้างโคมไฟนะ้ำตับของมันเองธาตุทั้งสี่น้ำตับของมันเราก็ดูดูธาตุที่มันตับเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันแล้วก็สอดคล้องกับ เราพื้นฐารปฏิบัติธรรมที่เราเริ่มต้นมาก็ไม่มีวิธีใดเหมือนเกิดที่เราทำอยู่ในเด็แต่ว่าสิ่งที่เราวามันไม่ใช่เราวาแต่ปากมันเกิดการพบเห็นเข้าการพบเห็นมันไม่ใช่การชิดเห็นอารมกรรมฐานเป็นการพบเห็น การพบเห็นนี่มันแม่นยำไม่ต้องมีคำถามต้อง ม, มีคำถามตัง้งแต่กายานัป จ, จน า, น, น, านัป จ, จน า, านัป จ, จนาจิตานัปจนาเราจำมาใหม่แล้วอาจจะว่าไปว่ า, าแต่ปากสติก็เหมือนกันเราสร้างไงเราจะ มีจิติยาม้า่ไม่ยกมือเคลื่อนไหวมันก็ไม่มีสติแต่ถ้าเรายกมือเคลื่อนไหวไปมาก็จะมารู้อันนี้เป็นเบื้องต้นแต่ว่าการพบเห็นกับการคิดเห็นเนี่ยแตกต่างกันมากงั้นไม่มีคำถามอะไรอีก คนที่พบเห็นอะไรไม่ต้องมีคำถามแต่เป็นเห็นเวทนาก็ดีเห็นสัญญาสังขารวิญญาณเห็นความชิดเห็นอาการต่างโดยเฉพาะอารมณ์กรามฐานเนี่ยงันออกดอกก็ว่าได้นะเกิดดอกเกิดผลสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่า ไม่ต้องไปแยกไปแยะมันมาเองเช่นเลยถ้ามาเราก็ว่าเวทนาจากว่าเวทนากายก็จากว่ากายจิตก็จากว่าจิตทาก็จากว่าทาต่อถึงคราวที่เอาจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นไปโดยอัตบดลงมา เตื่อนี้ประสบการณ์กับวงพ่เทียนมาตั้งแต่ปี512งอนไม่ชัดเจนมันกับอยู่ห้างหุ้นส่วนอยู่ตั้งแต่ปี512กับปี549ในวันนั้นวันที่เท่าไหร่จาได้เป็นปัจจัดตังเทียบท่า <laughs> เทียบถ้าไม่ใช่เป็นอดีตไม่ใช่เป็นอนาคตไม่ใช่เป็นปัจจุบันสําหรับชีวิตเราอดีตใช้ไม่ได้อนาคตใช้ไม่ได้ปัจจุบันก็ใช้ไม่ได้มันเป็นปัจจัตตังเพาว่าปัจจัตตังเนี่ยมันไม่มีคําถามอยู่ยังอาศัยภาพปฏิปันธ์กัย เดียวก็มาทุกคนดูเอถ้าคนอื่นเขามาเคยสุขัดจะทำอย่างไรเราก็ต้องเนี่ยงานขาาองเราก็สอนกระจูกเราก็สอนกระจุกก็ต้องไปบอกเขาเหมือนบอกคนขับรถสอนคนขับรถ เวลาคนขับรถเขาต้องมองไปข้างหน้าก็าาไม่มองไปทางอื่นข้างหน้ามันมีอะไรเขาจะต้องรูจ้จะหลบจะดีไปเองเพราะมันเห็นมันพบเห็นเห็นเวทนาเขาก็จะหลบเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณเขาก็จะหลบไปองโดยเฉพาะอารมณ์กามปัะหานเนี่ยมันมีอารมณ์ ขั้นตอนดีมากแ ต, แต่ลูกทำนานทำลูกทุกลูกโลกอาการของลูกอาการของนามเนี่ยมันไม่ใช่คิดมันไม่ใช่คิดมันเป็นคำตอบอันทือว่ายิ่งจะมาคิดสักน้อยมันไม่มีมันเป็นคำตอบเป็นการพบเผ็ด กับอาการต่างๆยิ่งเราเป็นอาลงเมื่อตทษทำลายความโลกโความโกรธความหลงหลงไปได้ทำลายทิฏฐิทำลายวิจิจิชาทำลายสีและปรจกัปปลมาตขึ้นมนเป็นตัวเปนน็นตนลงได้เข้าถึง ก า, มม า, ารบาชาวะพรบาสวะวิชาสวะไม่เมีขึ้นนี่เพียแต่นิดเดียวฉะนั้นชีวิตที่ไม่ต้องแหวกว่ายที่เป็นอารมณ์กับประหาที่มันออกดอกเราไม่ต้องไปทำอะไรกันแต่ถ้าเราไม่ฝึกนี่เป็นบปได้ยาแต่ฝึกไป ถ้าฝึกเอาไว้เป็นทุนเนี่ยมันจะมีประสบการณ์ตอนฉกเฉิอนอาจจะใช้ได้มั่นกันแต่ว่าถ้าทำลายความโลภคกรม โ, รโกรธความหลงการมาสะวปะวาจวะวิชาสะวะไม่มีขึ้นในชีวิตจิตใจเรียบ มีไหมตาหรืณนาะเพียบไม่เลือกที่รักไปเลือกที่ชังเพียบคิดท้าอะไรที่เป็นผลกระทบถ้ามันเกิดตัวตนงนห่เพียบไม่มีเพียบไม่มีก็าจะมองดูเล่นๆเราจะบองดูเล่นๆของอารมณ์ ตามประฐานที่เราฝึกมาเนี่ยมันก็จะถุกบางอย่างก็ทิ้งไปการเราทิ้งมันไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่เหมือนฝังขยะไมเหมือนกระบุงกระตาไม่เหมือนแก้วเหมือนขวดขันหน้าเมื่อเราทิ้งมันกลายเป็นหัวตีมันเป็นมักเป็นฑ ไประสบกังหลมข้อเทียนช่วงนั่นหลมข้อครับผมหมดเมื่อหมดตัวครับหมดอย่างไรผมไม่มีขันหน้าเลยเลยตอนนั้นแต่สลร้ายหมดเอามาต่อกันมันก็ไม่ไม่เป็นันเอามาต่อกันแล้วเวลาจะใช่ไม่ใช่ไม่ได้ เราโมเทียนบอว่าโง่แล้วการเข้าชานกางเข้าชานงอหลงข้อบอกตัางขณะนั่งฉันเพจพอฌันเต้นกับฌานพอฌานด้านเดียวกับหลงข้อเทียนก็ได้กระแสจรินๆเอาละเรื่องอย่างนี้อยู่ในกำมือเราพอฌานเตเสร็จกลับบ้านสติ ตอกมากระติเข้ามาปั๊บปึ๊บเป็นปึ๊บเข้ามาสูา่ภาวะผมเคยพูดแต่ว่าเพื่อนคงอยาฟังสนุกสนุกว่าอยู่ตรงใจอยู่ตรงที่ไม่มีไม่เป็นอะไรภาวะที่ไม่มีไม่เป็นอะไ ร, ร, ะไไะไรกับภาวะที่มันเป็นภาวะที่มันเป็นเป็นอะไร มาดูลูกมาดูลูกมันก็ยังมีลูกมายังมีลูกมันยังมีธาตุมายังมีสเลยมนยังมีหายใจไม่ได้แล้วก็ออกทิ้งีดถ้าหายใจไม่ได้คือไม่ต้องหาย ถ้าสิาเลตมันออกงากมันคาดไม่ไหวก็ไม่ต้องคาดนะไหวทิ้งไปก่อนเอาไอยู่ตรงภาวะที่ไม่เป็นอะไรานเท่ไรไม่รู้หาที่อยู่ในห้องไอซอยูนานน็หลยไม่รู้กรรมมาดูเป็นอีกมันก็พัฒนาการเราขันยิ่งนมันพัฒนาให้เหมือนเรารอันอื่นนิ่ง ทิ้งเท่าไหร่ไปยิ่งดีซะอย่างไม่มีเวทนาไม่มีธนาไม่มีสัญญาไม่จัางยาไม่มีสังขันเป็นสังขานเป็นวิญญาณในวิญญาณนี่แต่ธรรมชาตินี่แต่ธรรมชาตินี่แต่ภาวะที่เห็นแจ้งได้จะเรียกว่าชาันตัวนี้ก็เยียวยาเยียวยา อะไรพูดถึงมาตอนนัน้เป็นการเยี่ยวยาเบตนาต่างๆไม่ให้มีความยากลำบากถ้าเราจะเอาันก็ไม่ใช่ถ้าเราจะมีทุกข์ก็ไม่ใช่ไม่เป็นอะไรเวลาน่้นเนี่ยก็ ไม่เคยตั้งธาตุนะเรียนตั้งรองไฟไม่เคยตั้งทำไมมันเกิดการตั้งธาตุขึ้นมาเพราะว่าเออเรายังไม่รูปเนะาะไฟจะเป็นมรรคเป็นผลก็เป็นสะอุปฏิเสธนิพพ า, านนิพานยังมีเบญจขันยังมี รุ่นเมกอดเราก็พัฒานาไ่เห็นธาตุดินน้าลมไฟปฏิวีิธาตุคือธาตุดินดินก็คือผมคนเล็บฟันน้นเมื่อเอ็กระดูกเยื่อในกระดูกว่ามอเจตับทังผืนไตปอดใจ้ใหญ่แค่น้อยอาหารใหญาเ้ันเขาดินต้องไม่ทางอะไรดินดินก็ต้องช่วยดินนะ พอวันจันทร์่านก็เกิดปวดปัสสาวะขึ้นมา VID? ปัสสาวะเขนานั่งอยู่บนเตียงนอนอยู่บนเตียงก็อบอกพยาบาลว่ารู้สึกว่าปวดปัสสาวะเขาก็หากระท้นมาให้เพราะหากระท้นมาให้ปัสสาวะโลดเลยเปียกหมดเลยเเราก็หัวเราะว่าน้องพ่อกั้นหรือไม่ได้กัน้นอะไ แล้วเราจะมาคิดว่าเราเป็นพระเราเป็นหลวงพอ่อเราเป็นใครที่ไหนไม่ใช่มันเป็นธาตุอันหนึ่งที่เขาอยู่ของเขาเป็นขนาดก็ก็มองหาความทุกข์นั ก, ก็ไม่มีอ้าวมองหาความสุขแั้นก็ไม่มี นี่แต่ภาวะที่ไม่เป็นอะไรแต่ภาวะที่ไม่เป็นอะไรแล้วก็อันนานก็กลับมาดูมันอีกทีสองวันสีวันก็แต่เขาใส่ท่อหายใจอยู่ในห้องไอซียูเขาไม่รู้สึกอะไรงั้นกับว่า เป็นคนละอันกันแค่เรายากลำบากไม่ใช่พอมาดูผลถ้าจะว่ามันเป็นมักเป็นผลของการปฏิบัติธรรมก็ถอยกลับเข้าไปหาอารมณ์กรรมฐานตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นมา มันเพิ่มทวีคูณเคยว่าแต่ปากก็เกิดการเห็นเห็นแจ้งขึ้นมาลำดับดูลำดับดูลำดับดูลำดับดูลำดับดูเหมือนเหมือนแทเทียบท่าขึ้นฝั่งไม่ต้องลดลงเลยแล้วก็งหายไปอ่ะ ถ้าเราจะขึ้นฝังอะไรก็ขึ้นได้แต่เวลานี้ยังไม่ต้องขึ้นเอาพัฒนารูปเจอก่อนแล้ดูแลแรูลปพัฒนาก็บางอย่างก็ได้บ้างบางอย่างก็ไม่ได้อันไหนที่ไม่ได้ก็ทิ้งไปอันไหนที่ได้ก็การสอนรูปด้วยการรูป ถ้าเราปล่อยทิ้งมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะยังมีเป็นจะขันหาคนทุกข์หาความสุขคนป่วยที่ไม่มีทุกข์เลยมีไหมคนป่วยที่ไม่มีสุขเลยมีไหมเอ้ามันทุกข์อะไรมันสุขอะไรมันทุกข์เรื่องอะไรถ้ารจะเรียกว่าตอนนั้นนะ เหมือนกับว่าความสุขความดุเนี่ยลอยแพลไม่มีทุกข์เล ย, ยเลยอา้าวคนในโลกเนี่ยใครเขาว่าคนผ่วยเป็นทุกข์แต่นี่ทำไมไม่มีไม่มีทุกข์ไม่มีสุกขงนองหอนองพยา บ, บาลนงองแพทย ทุกคนที่มายืนช่วยเราอยู่ไม่กำลังใจเราอยู่ว่าเหมือนกับว่าโอ้ลูกนะคนอื่นช่วยเยอะแยะไปหมดเลยเราก็มีแต่พร ะ, ะที่ไม่เป็นอะไรอยู่กับพร ะ, บะที่เป็นอะไแลก็เป็นการไม่ละขายละเครื่องอะไรสามวัน4วันมาห้าวันนึงเขา ย้ายห้องมาห้องฉันย้ากันห้องไอยูพอมาถึงห้องนี้คนใกล้ๆทัง ก, กตออ็ตายเอาตายออกรอดแจ้ข่าดีเราก็ไม่ใหญ่กลัวอะไรไม่มีใครรอดตายคนนึงก็ตายคน ไ, ไม่ก็ตายกนไม่ก็ตาย เราก็ไม่ได้ก ล, ลัวล่ะเราก็บาบอกว่าเวลานี้หลงพ่อออกซิเจนดีมากก็เลยมึงออกซิเจนมันคืออะไรออกซิเจนมันคือหายใจคือลองหายใจก็เลยไปหายใจลองดูหายใจเข้าหายใจออก พอหายใจหายใจได้แต่ว่าไม่เต็มที่เหมือนกับว่ามีเงินยีน่สิบบาทเดินทางยี่สิบวันต้องประหยัดใช้ฟุ่มเฟือยไม่ได้ต้องหัดหายใจหัดใช้ใจเข้าหายใจออกมาช่วยชาติมาช่วยเบนจะขันพอหายใจเข้าหายใจออก ก็เกิดหายใจได้ว่าพอดีช่วงนั้นมีหมอคองศัก์โทรวาเจ้าสารัฐอเมริกาพอรู้เรื่องเรากว่ารู้จักอาการนาภาษณของพ่อยางกรัทญ์กันกนเนื้อ ในตับบ่อนอยังไม่มีตัวยาใดรักษาดีใจฉันที่จะย็นที่จะกลัวนะ <c oughs> ก้อนเนื้อในตับบ่อนแล้วก็บ้านมีตัวยาใดๆรักษาแต่พอดีหมอคาพลอธิบายให้ฟังแล้ <c oughs> ก้อนเนื้อในตับบ่อนมันเกิดขยายตัวไปจักก้อนเนื้อโตโด็ในคอ ถ้ามันก้เมื่อตัวเลวได้คอขยายไปก็รักษาง่ายขีดยาจีโงลงไปเลยยาชีโมรุ่นใหม่ขีดลงไปข้าพระเจ้าขอปฏิเสธการรักษาของพ่อขังเขียนโดยวิธีใดๆทั้งสิ้นเคยรักษาคนหายมาแล้วเอาก็เล่นฉีดยาจีโงไป เขมห น, นึ่งแสบขวานฉีท่อไปพอฉีดยาจิงโงเข้าไปเราก็มา ถ, ด ถ, ดถดอดต่อท่ออพอคเรื่อเริรู้สึกบรรลุกิตลเราก็ไม่ดีใจเราจะตายเราจะหายเราก็ไม่มีอะไรชีวิตไม่มีอะไรแล้วก็รักมาถอดท่ แล้วเขาถอดท่อนเนี่ยพอถอดออกครั้งแรกหายใจไม่ได้ทึบอึ้อสัิงีพออือก็หยุดหยุดหายใจเขาก็ยังไม่ดีมีหมอสามสี่คนยืนอยู่คนหนึ่งก็ยืนอยู่ข้างๆแล้วพ่อผมจะถอดนะผมถอดแล้วผมจะนี่ถุงลม มีออกซิเจนใส่หลวพวกพยายาสูตรนะมาลองดูพอเขาถอดท่อออกมันก็หายเจได้เขาเลยเอาถุงออกซิเจนมาใส่จ้ะพวหายเจได้เลยเหมือนกันเราดูปรกกาหลังเคยไหมเคยมดนะุดหน้ามดูปรกกาหลังไหม มีออกซิเนเวลาเรามดน้ำทั้งท่างที่เราอยู่ในพื้นทาบเราหายใจได้ปุบปุบปุบปุบปุบปุบอ้ก็หายใจได้เลยบปุบปุบบก็เลยร้องเพลงร้องเพลงใจใจเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเอง หายใจหายใจเป็นเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองบางทีก็พุทโธพุทโธสักอย่างไม่เที่ยงไม่ใฉ่ตัวไม่ใช่ตนนาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมง หมอเขาเยืนเชี่ยพยบาลก็เยืนเชี่ยพวกบางคนตกมนเอาเลยลองพเอเลยหายใจหายใจเข้าหายใจออกโอ้ประเทศไทยนาะสองลูกสองเต้าลูกหญิงลูกชายไปเล่าไปเรียนปวดกินเป็นล้านเป็นแสน มาช่วยเราคนเดียวมีที่ไหนมองพยาบาลเหมือนเทศพิดาเนมองนายแพทย์เหมือนเทพประบุดูลงพยาบาลเนี่ยเหมือนบ้านเกิดของเราแล้วก็เด็กเกิดใหม่เวลานั่นเวลานั่นก็กลับเข้ามาดูรมดูอารมณ์ของการมาถาน ที่สันโดษแล้แบบท่องเที่ยวอยู่กับบ้านลงของทหารที่เราประสบการณ์เล็กน้อยแต่ว่าขณะที่เอาจริงเอาจังมันไมไ่เล็กน้อยแล้วของจริงตรากฏแต่ดีก็ไม่ได้กำหนดรูปไม่ได้กำหนดรูปไม่ได้สร้าง ไม่ได้สร้างกันเลยมากันศีลมาช่วยสัมมาทิมาช่วยปัญญามาช่วยเหตากรุณามาช่วยอารมณ์ก็กรรมฐานตั้งแต่จักขยะทิฏฐิวิชีชีช้าทำลายความโลภความโกรธความหลงลงได้เท่าไหร่มาช่วยมาช่วยมาช่วยโอ ต่อไปที่เราจะต้องสอนคนในเรื่องนี้ให้ได้จะไม่ทำอย่างอื่นสอนก็จะสอนแบบนี้แหละแต่ว่าขอให้ผู้ปฏิบัติได้มั่นใจอย่าไม่รู้อะไรก็ทำไปไม่เป็นไรว่าแต่เรามีสติกาหนด เวจะมาจิต ท, ทำเป็นบัพพะต่างๆไปก่อนต่อไปต่อไปไมันจะเป็นของจิตขึ้นมาเหมือนการเดินทาง่อยจะบอกทางมื่อจะบอกบกหรบบผู้เดินทางนี่ของประสบการณ์ในการตายไปในการที่มีชีวิตขึ้นมา ก็สามสี่วันหมอก็าบอกว่าย่ายหลังพ่อขึ้นตึกสงเหมือนเดิมแล้วก็พนต่อว่าไม่มีใครรอดด้นหลวงพ่อพี่ังพ่อคนเดียวจะนั่งออกห้องไอซียูได้แล้วก็ไม่ได้พวงแค่ไหน้ก็พนก็บางดีก็มายืนเข้าแถวกับเพื่อน สองสามคนก็มาประกาศว่าที่หลวงพ่อผมเ่เรียนจบแพทย์ผ่าตัดมาด้วยกันผมเตรียมกำลังไว้หมายของวาจะผ่าผ่ า, ผาทัดเถอผมเสริมกำลังไว้รอมที่สุดเลยมนาะพนไม่มนีหานะ่างเลยดูอ้อ ถ้าอะไรมันเกิดอะไรขึ้นมานอกเสียด้านก็เขามาถอดสายากกสายากออกถอดเชียร์ยางออกเขาให้กินข้าวไม่รู้ว่าชีวันเนี่ยมจิ้มข้าวที่แรกก็าจิ้ข้าวทางสายยางกินได้เล็กๆน้อยแล้วเข้ามาถอดออก น้องข้อก็บอกโอ้สายยางไปอยู่ที่ไหนไม่รู้เวรจิกว่าเขาสายยางให้หลวงพ่อขั้นเจนะถ้าให้ขั move, ้นเจไม่มาจะเก็บเลยกั้นใจเขาก็ดึงออกไปลองาโก้ไหลออกจากร้อนเลยเลยมันเป็นถึงต่เนี้ด้วยนะตัวเนยบวมเลยยังดีรอยบวมอยู่เท่าทุกวันเนี่ย เปื่อยเกินโลกเกิดเชื่อเลิมก็มารักษาเพราะฉะนั้นพวกเราจะถึงยังไงก็ตามต่อไปนี้ให้ตั้งหน้าทั้งตาพากันปฏิบัติธรรมจะไปจำแบบอื่น ทำแล้วล่ะไม่รู้อะไรไม่ต้องไม่ต้องพูดบรรลุอยู่สร้างสติมันก็รู้อยู่อย่างที่เราสร้างเราพลิก ม, มืออยู่ที่ตรงไหนมืออยู่บนเขา่ามือข้างขวาจำยังไงจำได้รู้ไหมรู้ยกขึ้นดูซิรู้ไหมรู้ พวงลู่ที่ถามใครไหมไม่ต้องถามใครใครเป็นผู้รู้รู้เอาเองอ่มันมันชัดขนาดนี้เอามือมาวางไว้เื่ออยู่ไหนอยู่หน้าท้องรู้สึกไห้รู้สึกมือซัองซ่ายอยู่ที่ไหนวางอยู่บนเขา่าตะแคีงไว้ยกขึ้น มาลางไว้รู้ไหมรู้มือของคนอยู่ที่ไหนกอดอยู่หน้าท้องไม่ใช่คันอยู่ข้างหลังไม่ใช่ใครเป็นคนรู้เขาบอกว่าเขารู้เองเนี่มยมันชัดขนาดนี้การสอนคำวิธีเป็นผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้เห็นเด็กถ้าจะการเริ่มต้นอย้าต่อไปต่อไปผมจะ อยู่เชียงบ่าเชียงเล่กับท่านทั้งหลายถ้ายังไม่ตายจะตายก็เลี่ยไปกลัวว่าจะไม่ได้พูดก็เลยพูดวันนี้ยังมีคําถามอะไรไหมมีไหมลุงพ่อดี่ลุงพ่อบอกว่าตอนที่ <c oughs> ให้เคมีโอขั้งแรกกอะลุงพ่อ <c oughs> มันเหมือนมันจะมันจะท่านมันจะสลายไปเลยหลวงพ่อและตรงพ่อก็คืน<อ>มาฮะให้กลัวมาก <c oughs> ให้เยมีโอครั้งแรกค ร, รับโอ้ยมันท้องร้ามกันเลยหมอหลกหมอหลอนบอดเข้าวเจิ้นไม่ได้เบ็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงถูกทาลายหมดเลยไม่ให้มีกาลังก้านเนื้อไม่มีดูดไปหมดเลยท้องร้างานมากเบดเลือดแดงเบ็ดเลือดขาวบางทีเบ็ดเลือดขาวตายไปสองวันสาวัน เราฉีดยากระตุ้นเม็เลือดขาวอดีตเขม็เเดเลือดดตายไปแต่ตัวนี้มันเป็นไงก็ไม่มายถึงนี้ไม่ใช่ไปฉีดยาเม็ดเลือดขาวเม็เลือดแดงหนอคงว่ามันฟืนวว้นตัวเพราะว่ายิโมงวันปดหมดยึกไปแล้วนี่เยอะอีกอ่ะนี่ยจะให้อีกขั้นต่อไปนะั่ง จะรอดแล้วไม่รอดก็ไม่รู้มันกินมันเรากำลังเราไปกินไปข้าวหมดเชื่อโลกก็เป็นชีวิตร่างกายเราเกิดชีวิตมันไม่หลงหรืออะไรหรอกแยลายหมดเลยนะแต่ว่าพึ่งเดิ น, ดาดนทางไปขครึ่งทาง จะไปได้แค่ไหนก็ไม่รู้เราต้องเสี่ยงกันอยู่บ้นถ้าถ้าจะให้ผมพูดในเวลานี้ผมเอาทิ้งไป ง, ง่ายกว่าที่จะมารักษาสบายกว่าเอาทิ้งไปสบายกว่ามันรักษายากการทิ้ง ง, ง, ง่ายง่ายง่ายจุดเลย มีแต่ในบ่วมเยอะแยะไม่ได้กล like ัวตายไม่ได้อะการเาทิงนี่ถือว่าศิลปะนะเสียงต้งค่อยเข้าโลกเสียงไม่ค่อยดีมีมีช่วที่หลวงพ่อหายใจไม่ออกด้วยไหมฮะมีใช่หมหลวงพ่อหลวงพ่อหายใจไม่ออกอ่ะนี่สานสีวันนอที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเหรอครับ ก็ไม่ต้องหายมันนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรกับวะาอยู่ตรงที่ไม่มีไม่เป็นพาหต้องหายใไออกแล้วหลวงพ่ออยู่ตรงไหนก็อยู่ไม่เป็นอะไรกับอะไรอยู่ว่างๆถ้าจะพูดถึงฌานก็เรียกว่าฌานมีสติแล้วอะไรอยู่มีสติแล้วหะไรอยู่มีสติแล้วหะอยู่ ถ้าไม่มีตัวนี้ไม่อรอดดอกเก่งขนาไหนก็รอดจะมีความรู้อะไรก็ไม่รอดต้องเป็นอารมณ์กรรมปัจจัยอย่างเดียวผมรอดมาได้เพราะอารมณ์กรรมปรามจจัยกลมเจงกายรื้อล้นเรื่องได้ถ้ามีชีวิตอยู่จะพยายามเป็นเพื่อนพวกพวกเราเรื่องของกรรมฐานนะ อย่าบดกำลังใจทำไรทำไปไม่รู้อะไรสองเดินแล้วสามเดินแล้วไม่รู้อะไรอย่าบางทีมันมันเป็นดอกเป็นผลเหมือนคนมีเงินมีทองนึกว่าตัวเองไม่มีเงินพอเอาไปมามันอคืน ด, ดอกเกิดผลหลบมาใช่ไมมหมดสมาตรีเป็นไปได้สร้างเลย ผมไม่ได้หายใจเข้าหายใจออกสร้างสติมีเศรษฐมาสร้างเราไม่เคยสร้างสติไม่เคยทำอะไรมีจศรติไมาช่วยมีสติีแล้วเลไอยู่มีสติีแล้วแล้วอยู่ ถ, ยถ้าไปกาหนดมันเหนื่อยไม่ต้องไปกาหนดเลยก็หมดรู้ไม่มีหายใจเข้าหายใจออกไม่ไงปล่อยว่างๆเลย ป<อ><ก>่อยว่างๆเลก็อยู่ตรงที่ไม่เป็ น, นอะไรมีเสียงไปไมีปรหรอเปล่างอไห้อบีก็เสียงไม่ค่อยเขาล่องเท่าไหร่แต่พูดมากก็หมดแรงบ้าง เนาะหมดแรงบ้างก็ขอบคุณทุกคนทุกคนไม่เห็นอะรกันบ้งหมดรงงานก็เราก็ทำอยู่แล้วไปกลัวอะไรก็สอนกันอยู่แล้ว